คำหนึ่งคำอยู่ในใจฉันแต่ความหมายนั้นมากเกินคำอื่นใดอุ่นความรักอิ่มน้ำนมอุ่นนี่คือพระคุณยิ่งใหญ่เปรียบได้ทดแทนในพระคุณแม่นี้ใครหนึ่งคนอยู่ ักีคำพร่ำสอนเพลงแม่เคยกล่อมลูกนั้นจำได้ดีกลาบตักนี้ที่เดิมแม่เคยกล่อมนอน คำอยู่ในใจฉันก่อนคำไหนแค่คำเดียวที่เข้าใจกว่าจะรู้คำแรกที่จำแม่คือถอยคำยิ่งใหญ่หนึ่งคำนี้แทนใจแทนความผูกพัน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 เปรียบใจทดแทนในพระคุณแม่นี้